เรื่องต้นไม้ที่เมืองอารวีสมเรื่อง189สมัยนั้นพู้ภิกษุชาวเมืองอารวีจะทําการก่อสร้างจึงช่วยกันตัดต้นไม้ภิกษุรูปหนึ่งบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ภิกษุรูปนั้นจึงยืนตัดที่ตรงนั้นต้นไม้ล้มทับถึงแก่มรณภาพ ภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พรองตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอบัดวงเล็บเรื่องที่94สสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวี จะทาการก่อสร้างจึงช่วยกันตัดต้นไม้พิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าจึงบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ต้นไม้ที่ล้มทับเธอผู้ยืนอยู่ตัดอยู่ที่นั้นถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัดปาราชิกวงเล็บเรื่องที่94สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีจะทำการขอสร้างจึงช่วยกันตัดต้นไม้ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าจึงบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ต้นไม้ล้มทับเธอผู้ยืนตัดอยู่ที่นั้นแต่ไม่ถึงมรณาภาพ